รู้ไหมไม่มีเลยเดยคนที่ไปพระที่อยู่ปริวัาสตกรรมต้องมีพระบบิสุดเป็นคนดูแล่า้เป็นคนสอบสวนทวนถามให้จะเป็นปรเรียนหรือไม่แต่เ ป, ปรเรียนไม่สำคัญดูแลให้ตามกฎเก็นเท่านั้นเหมือนยกหมายสมัยนี้ย่างแล้วเนี่ยเ็งเนี้ย แต่เวลาเราทํางานยกตัวอย่างต้องมีพิจิตรมาตอนนี้จุดูปเพียรบูชาพระตอนนี้รัตนาสิงห์เพราะจะภาพดุ่มต่อการงานมากต้องมีพิจิตรมาแนะนําเข้าใจไหมเนี่ยต้องมีพิจีกรมาแนะนําเราแนะนำไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวก็ลืมโน้มลืม น, นี่พิธิตรก็มาเตือนสติให้เราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องมีพิจิตรในตัววิทยากรในตัว เตือนตัวอยู่เสม อ, ค, อ ค, คืออะไรคืออะไตัวสติเข้าใจไหมเนี่ยนี่พูดให้เข้าใจนะเดี๋ยวจะไปพูดไม่รู้เรื่องอีกสติกับสามัญญะเป็นเพื่อนที่ถูกต้องและแน่นอนเป็นพิธีกรเตือนเราอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ทําอะไรตอนนี้ทําอะไรสติมันบอกสามัญญะบอกให้รู้ว่าควรไม่ควรกาละเทศะ ไม่ถูกการลเศศะหรือถูกต้องมันจะบอกคือตัวสัมมัญญาไม่ต้องไปหาใครเหลืออยู่ในตัววกครบวงจรมีวิทยากรในตัวสอนในตัวมีพิธีกรแนะนำในตัวอยู่ในคนเดียวกันคือกรรมฐานเข้าใจยังยไม่ต้องหาอาหารฉันเวลาเดียวพระองค์นี้ก็ไปบินกะบะมาเอามาจัดวงให้เสร็จ แล้วก็พระที่เป็นปฏิบัติเดินขวาย่างหนอใช้ ย, ย่างหนอมานั่งหนอชํำรวมหนอชงวอนหนอละวางหนอแล้วก็ปฏิสังขายโยนโยบินปาต่างไม่เฉว่ามีปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องปริพ่อกังวลไม่ต้องกังวลอะไรเลยทั้งสิ้นพระพวกนี้จะได้เอาอาหารมาเลี้ยงเสร็จแล้วไปเลยไปเข้าป่าเดินจงกรม แล้วพระที่บิณฑบาตมาเนี่ยเก็บล้างเป็นเวรเป็นเวรเข้าเวียนกันจนกว่าพระพวกนี้หนึ่งเดือนจะคร บ, บวงจรของการภาปฏิบตัติเรียกว่าเรียนภาพอารยะเนี่ย่ขอฝากท่านรัฐมนตรีจะได้รู้เราจะเนื้ว่าเนี่ยเมื่อสมัยที่จะดการเขาทํอย่างไรทาอย่างนี้แล้วก็พระที่ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงติสีครี่ยมเนี่ย เทียมบาทเ่ล้างพวยล้างถามเสร็จนะพระที่เป็นเวรเนี่ยต้องล้างควยล้างามเสร็จพระที่ปฏิบัติไม่ตกทำอย่างนี้สมัยผู้จัดการบินธบามาแล้วก็จกัดวงให้พระวกนี้มาถึงฉันฉันเสร็จแล้วอนุโมทนาให้แก่พระพวกที่บินธบาเลี้ยงได้บุญ เหมือนยพวกปฏิบัตินี่ถ้าสําเร็จเป็นประโสูตดาพระที่ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงไม่ได้บุญมากจำไหมถ้าพเท่านี้เกิดนิโรธสมาบัติได้พระที่ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงสําเร็จมากผลเหมือนกันไม่แสนกว่าฟังไว้นเลยนั่ยแล้วทีนี้ถัดจะไปเอาพระองค์นี้ออกครบวงจรเจ็ดเดือนหรือห้าเดือนออกไปไปทํากิจวัตรแล้วก็พระที่ยังไม่ทํามาเข้า ทางก็อย่างเงี้ยแล้วฉันเวลาเดียวเหมือนอยา่างพระอินเนี่ยสู้เทว ด, ดาไม่ได้รศัศมีสวยกว่าพระอินก็ทราบมีน้อยใจว่าเราเนี่ทั้งอาไปยเามาเห็สีไม่มีรศัศมีเขาเลยสู้เทว ด, ดาหมูนี้ไม่ได้เทว ด, ดานี่มีรศัศมีสวยกว่าเราไม่มีรศัศมีแต่เรามีบุญไปพระอินมีบุญไปพระอินได้ เลยก็เลียงยาดูว่าอ๋อเทวดาเนี่ยที่ทั้งสี่องค์ใส่บาทพระมีโรคสมาบัติแล้วอินก็แปลงตัวเลยแปลงเป็นยาจบไปดักพระอัจฉิยินทบาทไหมอ๋อไม่ใช่ราหาก็อบ เป็นยาจกขวางทางท่านจะไปโปรตป้านนดเลยพระอินมาดักหน้าดักข้าวสวบาทพำลันออกจากนิโรธนะแล้วหมาก็สบก็มองหน้าข้าวนี่ไม่ใช่ข้าวธรรมดาข้าวทิพท่านเป็นใครเหรอบอกแนละ้วะถึงแสดงออกมาว่าเป็นจั ก, กรลินเทวลาะทำไมจึงแปลงมาเป็นสาบาท เดีาบเรี้ยให้พระมากษัตรทราบว่าข้าพเจ้าน้อยใจไมไ่เคยทำบุญเลยไม่เคยใส่บาทอย่างนี้จึงฤทธิ์บุญฤทธิ์ไม่เข้าทเทวดาที่เขาใส่บาตรพระมีโลชมาบาตรเข้าใจไหมเลยพระมากษัตรก็ให้พรความจริงพระมหากษัตรจะไปโปรดบังฑ์โนแล้วอินมาดักด้วยก่อน ในบรรณนนก็ไม่ได้ต้องดองวิกนาหูืแมเวล ว, ว, วันไว้วิกหน้าต่อไปนี่เรื่องจริงในสมัยพุทธกาลนย้อนดูคให้ฟังเพราะไะนั่นพระที่บิณฑ บ, บาตมาเลี้ยงเนี่ยได้บุญด้วยพุทธเจ้าบอกได้บุญร้อยเ์เซเลยบิณฑ บ, บาตมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติเป็นพระก็ทำบุญได้ เป็นพระภิกษุเนี่ยไม่เคยทำบุญไม่เคยช่วยใครก็เป็นพระธรรมดาไม่มีการสาเร็จอะไรทั้งหมดเป็นแับพระอย่างนี้ตลอดไปไม่มีการให้ใครเลยเหรอพิสุแลว่าอะไรแรว่าปฏิฆาหุรักทานพุงทายกเท่านั้นไม่เป็นทานยกเลยเหอรอพิสุอย่างนี้เป็นทานยกได้สามารถให้ช่วยยดาแต่ไม่ทำจึงมีแค่นี้เองเพราะพระภิกษุ จนรวยเหมือนกันไม่ได้บางองค์รวยจังเลยบางองค์ไม่มีอะไรเลยนะชาก็ไม่มีจะฉั น, นทําไมชาไม่มีฉันก็ราท่าไม่เคยชงชาให้ใครกินเลยพระชายแดนปปเป็นปริยนเจริญประโยคน์มาองคนี้บารมีพ่อวัดผมมีบ้านสี่ล้อยข้างคาเลยชาก็ไม่มีจะกินโทุกก็มีบูชาพระถามว่าท่านเคยสวดมนต์ไหา้พรไมไม่เคยพระมีสามองค์ถึงไม่มีทูก ชาก็ไม่มีจะฉันเลยเราก็หาออกนโยบายไปซื้อชากรากะตายมาแลพันห้าพันห้าร้อยบาทมัดใทานไปบอกว่าไปชงเลี้ยงพระด้วยและเลี้ ย, ยงดยมด้วยยมมาเลี้ยงชายหมดแล้วก็เขียนป้ายประกาศบอกว่าพ่อวันวันชิ้นบุรีให้ชามาแต่ใครมารับชาคุณท่านจะรวยมหาศาลคนมันอยากรวยมาแหกกันมาเรื่อง แล้วก็ขอให้ท่านสามองสวดมงงนต์ไว้พระในโบสถูทเทียนไม่มีไม่เป็นไรเราให้ทุบไปเยอะหมดเอาไปจุดรับรองจุดแรงเงินและนองทองไลยมาพระก็อยากรวยแพ้นายบายเราคนโชคบายเล ย, ย, ยลพระก็ไปสวดโวก์ว่าสวด ก, กันใหญ่เลยโยมก็โอ้พระขา ย, ายันสวดด้วยมาก่อนขิดเกียจจังเลยซื้อทุบเทียนมาให้ วันนี้เอาน้ำชาแจกชาหลวงพ่อพุวันกาก็ตายอยู่โอ้โหพาก็มากินอุปาทานมันก็ยุดมันก็เกิดไปรวยขึ้นก็แจกคนนั้นกินแจกคนนี้คนก็รวยด้วยการให้ทานเลยท่านมหาอุนั้นรวยชาวันหลังชาก็ตายมาไปแถวกอเขาไปรวยเขาก็ซื้อชามาให้แต่ว่าพุวันไม่ถึงเพราะกลายมากเข้าใจไหมเนี่ยรู้เรี่องนะที่พูดเนี่ย ไม่รูเ้เหล้อก็ตามใจไม่รู้ไม่เป็นไรยอมดูใครฟังอ่ะพระบององไม่หา่าเราเนี่ยไปฮะแม่คุณด้วยจมารว ย, ยเพื่ออะไรเอานมเปียไปถวายนางฟ้านางสวรรค์ที่ศูนย์เวรุ่งวันทุกครั้งแม้ไปถวายนางฟ้านางสวรรค์เอานมเปียไปถวาย จุธินางวัตะเมธานางปริจุธิทานางอาสุวะขยาวังนิพานางโหตุขนมเปีย้ยเข้าปจัจจาหวานกรอบอร่อยนี่กะจายให้ตายดิน๊นอีกกี่ปีแล้วพี่จะพูยน้องได้ที่ดินที่สูงเวรุวันเลยแม่สูงเวรวันก็ทานขนมเปีย้ยอร่อยมากหวานอร่อยเลยกลับมาที่วัดรวยมหาศาลเพราะว่าขอนแก่นสูงเวรวันมีนางฟ้านางสวรรณ สวยน่ารักมากหลายทำให้อาตา ม, มาก็อยากจะไปเสมออยากจะไปอยู่เป็นเดือนๆไปก็เกรงใจศูนย์เวรุวันอยู่นานไปเขา็ว่ามันมีใครทำพิโตถวายนียให้ยิ่งได้รัต ม, มูลีตีจังหัดแล้วก็ไปให้เรื่อง ยิงให้ยิงได้น้ำในสระเต็มแล้วไม่ทายมันจะนั่งยิ่งทายน้ำใหม่สะอาดมาทายมากเท่าไรมันก็มาเต็มตามเดิมน้ำใหม่สะอาดห น, ม, นมเปี๊ยมันนานเข้าเดี๋วจะเสียก็ระบายไปเอาไปกินกันบอกกินแล้ ว, ลวได้หนมเปี๊ยใหม่ใม่ใหม่มาจากดีไหม แล้วน้ำเก่าวอยู่ในสระมันดองนานมันจะเน่าต้องแจกันกินไม่แจกันกินมันจะเน่าเรื่องเก่าไม่เล่ามันก็จะลืมเลยเอาไปให้ทุกครั้งแต่ก็ไม่ทราบนะว่าที่ศูนย์เยก็คิดถึงน้งเปี้ยมัองเปล่าผมมาคิดถึงก็ไม่เป็นไรแล้วนี่เราเล่าสนุกสนุกเรื่องจริง นี่แหะท่านทั้งหลายเราก็ทราบความหมายว่ายิ่งให้ยิ่งได้สูงบริวันหลวงพ่อดำในป่าจึงบอกกระเหล่าแต่มาจึงบอกให้คติเตือนใจหลายท่างแต่ท่านก็คงจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้อยากเรียนรู้ทำยิ่งขันหูกอยากทำถูกทําเด็กนิ่งขวายคนสามใบกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวอยเหยียบเหาเเเเกันหน้าอยู่หัวสามตัวอย่ละหน้าไหนเอาเอ า, เอาต า, มมาไม้ดัได้จะค้นเจ เป็นบทความที่เราได้จากหลวงพ่อในป่าหลวงพ่อในป่าท่านสอนละามาขอเท็จจริงเราก็จะไปเรียนยืดเหรียญเป็นหวยเนาะในกลายไปได้ของธรรมะจากท่านมัจะเป็นบุญเกรรมของเราที่เราได้วิชาคุณจะสารใจของผู้ดื่มเลี้ยงช้างต่อช้างป่าเราก็ตั้งใจะจะไปศึกกลับก็ไปได้วิชานี้มา ได้คถาผู้หญิงหมอภาวนาก็สาวแท้ใจไมาไมตามก็เป็นหางต้องถือไม้เลยคถานั้นก็ดีนะหนึ่งอย่าเป็นสองเอาไปเลยนะหนึ่งอย่าเป็นสองพูดใหญ่เป็นสามเป็นสี่พูดแล้วต้องทำนะนี่หลวงพอเดินบอกคาถาผู้หญิงดือยผู้ชายแม่ไม่ช่วยใหญทั้ง ขอฝากว่าเป็นหลักปฏิบัติเราได้จากที่นี่นจากหลงพ่อเดิมแล้วก็ท่านบอกว่าศึกไม่ได้นะท่านรู้เลยหลวงพเดินท่านบอกว่าสามเดือนเชตโมนหน้าภาพเนี่ยเอาไปเลยนะปูย่าตาชวดตะ ก, กูลเนี่ยต่อช้างป่าถวายในหลวงแผ่นไม้กุ้งสีอยาท่านจึงเล่าว่าช้างเผือกของพระเลศวนที่ยุทธวิธีดอนจดีช้างเผืก อ, อ, อก ต่อได้ที่อำเภอพานกรต่ายจังหวัดจังหวัดยะแพนเพชรเป็นช้างเผือกของพระเดศวนที่พานกระต่ายตระกูลหลวพ่อเดิมต่อได้แล้วไปถวายพุ่ทธิยาช้างนั้นคู่บา ร, รมีบุญของพระเดศวรหมาล่าเรียวกว่าช้างวิถีเป็นช้างเผือกจะเกิดไล่เลี่ยจะปันอาจจะเป็นวันเดียวกับพระเดศวน เกิดที่บ้านชางกระต่ายแล้วคนชรางกระต่ายจึงเป็นพนมากสมัยเก่าถึงพลเอกเป็นถึงเสนาโบดีกระทรวงกลาโหมตามมาดับมาตอนหลังของรัตนโกสินทร์อันนี้จะไม่ขอกล่าวขอกล่าวให้ฟังว่าชัดเจนแล้วนะชัดเจนอันนี้จะไม่ขอกล่าวรา้ฟังว่าเนี่ยหลวงพ่อในป่าพ้นแกนเราเนี่ยชัดมาก <c oughs> เราบอกไม่เอาท่านบอกว่าอย่ายิงจ้องหอง้องแมลงปอผู้ใหญ่คุ้ใหญ่ให้เอาไว้ก่อนเป็นที่เสียใจมากไปสอนเด็กลูกหลานคุ้ใหญ่ให้ไว้ก่อนคุ้ใหญ่เขารู้ดีถ้าเราไม่เรียนมาหนาะท่านรัตมนทีหมดโอกาสที่จะไปพบหลวงพ่อในป่าไปพบหลวงพ่อในป่าเพราะเราเรียนวิชาพธูธสามถ้าเราไม่ได้วิชานี้เครื่องบินตกที่ยุโ วิชานี้กคือวิชาเพ่งกรสินเพ่งกระสินหน้าถึงจะเรียนวิชานี้ได้แต่เพ่งกระสินนี้ไม่ได้เรียนวิชานี้ไม่ได้ี่ยรู้ไม่ใช่วาสบาแบบถามบอกครูกหลานเนี่าา ย, าายบาบาต้องเรียนทุกอย่างเลยนะแต่เราไม่เรียนวิชาเพ่งกรสินกับลงพเดินวิชาคุณศรเรียนไม่ได้เพราะว่าช้างเนี่ยมันพูดได้และหูมันทิพย์อย่างไรแผ่เมตตาให้ช้างอย่างไร ช้างจึงสยบกับเราช้างมันมีเทวดามาทับแผ่เมตตานี่ตัวสำคัญมากเดี๋ยวไว้จะพูดวันหน้าต่อไปบ้างแต่วันนี้ก็ขอฝากอีกข้อหนึง่งเตรียมพร้อมเนี่ยมาสมัยพระพุทธเจ้าทรงประทชนท่านไม่มีหนังสือไปเทไอ้บินทบาทเนี่ยโลวาบา น, นี้เขาขึ้ น, นใหม่กั ถ้าจะไปเขียนธรรมะไว้ที่น้ำหน้าต่างหน้วตามประตูให้เจ้าของบ้านเห็นได้ชัดแล้วก็บอกไว้ในใ น, ในจุดๆที่เรียกว่าเจิมเจิมป้าเพราะมาสมัยก่อนเขาสอนก็ด้อย่างเช่นรถแต่ก่อนนั้นรถมันไม่มีแล้วมันมีแต่อกเกวียนต่างเราสอนจะตูิธธรรมะแต่ไม่มีเจิมแต่ที่เอ่ จะเขียนว่าตามหน้าต่างตามบ้านร้างค้าสมมตีเห็นหั้ยเคยมีห้าจุดเห็นหมจุดห้าจุดพละห้าประกาพรพละห้าประการศัท์ทางวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าจุดเป็นพลังของมนุษย์เป็นฐานทัพของคน เรียกว่าพละคือทาเป็นพลังห้าประการฐานของคนนี้ต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสตินี่สติเป็นตัวกลางเ่ยนะไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิด4แถวสองสังหาวัตถุธรรม สองคนในบ้านเนี่ยต้องมีหลักสองวัรรธรรทธทรมัปรปการทานทานการให้อยู่หน้าบ้านมียาชยาใสามีสัยท้ายกว้างไกลให้ทานจุดที่สองปิยวาจาพูดจริงทำจริงพูดจาอ่อนหวานอยู่หลังบ้าน ปตูหลังบ้านคนมาตีไทยหัวได้ถ้าม่ไม่มีความจริงอัตตาจริยาสมาณา ต, ตาเหนือใ ต, ต้สังหาถูกวัตถุธรรมประพฤติเองที่เป็นประโยชน์ต่อกันแล้วไม่ถือเนื้อถือตัวสมาณาตตาไม่ถือเนื้อถือตนถือตัวจะไปการใดออกมันแถวสองมีสี่ตุกสังหาวัตถุธรรมสามารถดึงน้ําใจคนไว้ได้เลย สามจุดศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาสองจุดสติสัมปชัญญะจุดไม่กระมาดจุดบอนเรียกว่าไม่กระมาดจำมาเลยพระพุทธเจ้าส อ, อย่างเลยก็พระเอามาเจิมกันเลยเจิมถามว่าเจิมว่าไงไม่รู้อ่ะเจิมใส่คาถาเนี่ยุ่งไปหมดเจิมต้องเป็นยอดใจดีสิไปใจดีขึ้นมัเนี่ ฐานล่างพละห้าประการฐานสองสังหาวถุกครมยืนดึงเจิตใจคนไมน่ได้สามอคอร์รคังเศรษฐามาธิปัญญาสองวลัลลคังสติทั้งไม่ชั่งได้หนึ่งยอดเจดีคือความไม่ปรมาทความไม่ประมาทมีชิบวิตประกาศหนึ่งไม่ตั้งใจทำ ไม่ทำโดยติดต่อไปเรื่อยๆสามทำาหยุดหยุ ด, ดสี่อดแอทอแท้ใจห้าไม่เต็มใจทำหกท้อธุระและทิ้งธุระเจ็ดไม่ส่องเศษไม่ส่องเศฟ 8. ไม่ทำให้คุ้นเคยเก้าไม่ทำจริงๆงจัง 10. ิบทำโดยไม่ตั้งใจ1ิเ็ดไม่มันประกอบเนืองเนือง ไม่มาประกอบเมืองเมืองเป็นเหตุของความประมาทมีชื่อเบข้อลำเอาไว้ด้วยมีชื่อบประการเท่านั้นเพราะฉะนั้นสรุปใจความอะไปถามพระเจอว่าไงนโมพุทธิยะให้รถไม่ชนแล้วก็เจอบ้านให้รวย ไอ้บ้านมันมีวิญญาณไหมมีวิญญาณไหมบ้านเขาต้องการให้เจ้าของบ้านมีธรรมะอย่างนี้หน้าบ้านมีฐานไหมเนี่ยหลังบ้านปิยาวาจาไหมีแม่บ้านถูยแฉรแตกลานคนเข้าหลังบ้านเลยตีธาครูเลยนะอาัาิยาสมาหน้าตาไม่ทําประโยชน์ต่อประชาชนสมานหน้าตายังถือตัวถือตอนมาคานอยู่ดีกับเขาเหรอ ใช้ได้เลยนนี่ถามพระที่เจิมม่ว่าไงวันหน้าจะมาไปเจิมให้แขกอิสลามลูกสาดัดผมที่สีแยกบันแขกมีมนทานเพลงองเดียวแล้วหลวงอัตาลปาดไปยางอีนังนว่าต้องไปสวดมนต์กับเจ้าคุณกรุงเทพ้ะต้องอัตบาบัดสวยๆเข้าไปมีองค์เดียวถามบอกพระมาเลยมามีมนองเดียวค่ะ ไม่ต้องสวดมนต์บอกไม่สวดแล้วก็กลับเลยฮะนี่มนบนแขกอิสลามสี่แยกบันแขกลูกสาวเปิดสวมสวยแล้วจะให้เจอมให้รวยถ้ารวยแล้วก็จะไม่เหลือบุญคูณแขกฝลังก็เข้ามาฝลังเขามานั่งดูว่าพระมาฉันเพลน บ้านมุสลิมอย่างไรพระมาฉันเพนบ้านอิสลามอย่างไรฝรั่งถามว่าเจิมทําไมจะตอบว่าไงท่านพระครูที่ว่าจะตอบว่าไงฝรั่งถามว่าเจิมทําไมเจิมให้รวยเจิมให้เสริมสวยฝรั่งมา ตอบว่างไงตอบอย่างที่แรงแล้วก็ไปเจอให้มันดูแล้วก็เรียกมานั่งวงมึงวมมือแต่อิสลามก่อนจะฉันรับสิงก่อนฉันไปอิสลามไม่รับสินข้าก็ไม่เจมให้แก่ฝรั่งหุลเลาะฝรั่งพูดไทยได้ถ้าไม่รับสินเราเจิมให้ม่ได้ เพราตำลาของเราถ้าใครรับสินนะมีสติท่าป็นทัญญ่ดีจะเจอให้รวยก็โอ้โหมายางพันเตวิสูงแขกคนไทยมายังไม่เป็นมายางพันเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตีตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตแขกตเตเตเตเตเตเต เราก่อนจะเจอร์เจอรเสร็จแล้วก็เรียกบุคสาวมาพนักงานแคนมานั่งฟังเป็นอีกสามทั้งนียจุดนี้ว่าไงศรัท้า ย, ยัางไงแล้ววิริยาพแปลว่าอะไรสติคืออะไรระลึกก่อนทำยังไงสมาธิจัดงานอย่าทิ้งงานแลวหน้าที่ปัญญาแปลว่าแก้ไขปัญหามีสติอแล้วสี่วัตถุสังวหาวัตถุตามกาอธิบาย เป็นการเหนี่ยวล่างดึงใจประชาชนเข้าล้านหลักสามิีนสมาธิปัญญาอันนี้มาตอธิบายลักษณะตะสองสติสมัมปชัญญะหนึ่งคือไม่ประมาณมีเหตุแห่ ง, งความไม่ประมาทที่บ็ดข้อฝรั่งเข้าใจเลยโดยกรอดเลยฝรั่งเอาบุรีมาให้เป็นกล่องเลยบุรีนอกเราก็ไม่ฉุก เราจะมาถึงวัดหมดพอดีขอคนละกล่องสองกล่องนะแต่ไปบอกว่าเจิมให้ขายดีแต่ขายไม่ดีมันก็จะให้เราห้าเสดดีไม่ดีเดี๋ยดา่าเมียพ่อเขาว่าออย่ังไงนะของเรามีเหตุผลฟังนี่พระพุทธเจ้าสอนมาสองพันกว่าปีแล้วที่วาเนี่ยเจิมเนี่ยไม่ใช่ไปเจิมให้เขารวยไปสอนธรรมะที่บ้าน ด้วยการไปเขียนไว้ข้างฝาเขียนว่าอย่างนี้เป็นยอดเจดีอย่างเนี้ยแล้วก็อธิบายจ้าของบ้านสังจุบนี้วันอย่างนี้จุดนี้วันนี้จุดนี้วันนี้จบนี้ น, นี้เท่านี้เองเราจะเสด็จไปเลยเพราะท่านไม่มีเวลาว่างจะมาเที่ยวที่ฝงแต่เที่ยทุกบ้านจะ ย, ยังไงเข้าใจไหมลัติกรเจ้าแม่เจ้าแม่เข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนะ เป็นเจ้าแม่นี่ผู้เจ้ามีเหตุผลท่งนั้น เ, เลยก็พระเอามาเจอเลยเขียนยันซะเต็มรดห น, หน้าตีจะตายแล้วก็ไอ้คนขับก็เอาเลยมาแขวนนู้ก็ดนก็เดินเลยแขวนนี่ปลิวกปลา้านะพอรถไปกระแทกเนีอยกากล้าวก็วดีมันกันเนี่ยเพื่อเตือนสติไอ้คนขับไม่ให้หลับมันถูกเหรอนะ ล้าขอฝาพวกสูงเราไปด้วยนะเวลาจะไปตามบ้านไปสวดมนต์เนี่ยแล้วก็เราอยากเป็นหัวหน้าเขายกขันน้ำมนต์ไปจะพรมคนที่กำลังกินข้าวบางเนอ ย, ยางเขาอยากพรมมาหาพระสิพระเสือกออกไปเขาจะกินข้าแล้วไปเสีบพ ร, ร ม, ม, นมน้ำมนต์ถ้าเดือาแล้วเสือกพ ร, ร ม, มน้มนต์จะมากแล้วมั้งองนี่นไม่อมเอานะสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกเลวัดารชบุริบ อ, อย่าไปพรมให้มั เวลาเขากินข้าวกันงานบ่าวสาวเนี่ยแล้วเอาพระเอาบาปไปพรมน้ํามนต์กำลังกินข้าวเป็นบาปกระยอมด้วยเป็นบาปนะอาจารย์สุทธิที่ไปสอนที่นครสวรรค์แล้วพระก็เสือเกเด่นชอบอยากจะอวดพม น, มน้ํามนอะไรพรมน้ำมนต์เลยเป็นคนดียังไงบางคนลรงพ่อครับพมน้ำมนตให้ลูกหน่อยจะได้เรียนเสือ้อรืงเก่งบอกพร้อมไม่ได้แล้วบ่าหัวก็เอาบ่าวลูกสาวเรียนเก่งหน่อยเปล่าไม่ได้แล้วยังไม่โง่พอ มีแม่เขาชี้เกียรติในก ะ, ะป๋าหัวลูกมันขยันได้มีอย่าไปเป่าหัวก็ไปไงเรานี่มันเกรงใจอย่ามาเป่าหมดล้อคนตายพอดีมีอย่างนี้ประสบมนดกเสร็จแล้วพระเดชพระคุณมีมนดกจอมมีมนดกพรมน้อมมน่ะโนถือบาปไปแล้วก็เดินไปสิพรหมกำลังกินข้าวไปพรหมกาลังนั่งเฉยแล้วพรหมไปมันยกมือไหว้นะ บาปบาปทั้งโยมโด้วยถ้าโยมไม่สนใจเนี่ยกำลังกินข้าวไปพรมเนี่ยเขาบาป พ, พระก็าบาปเสือกไปพรมกําลังกินข้าวแล้วกําลังกินเหล้าอย่างงั้นกาลังกินเบียร์พรมน้ำมนต์ให้อยู่เย็นประศึกมันจะดูเย็นประศึกได้ยังไงจะอยู่เย็นประศึกไงเอาพรหมน้ำมนต์ให้กำลังกินเล้าขอให้กินเหล้าอยู่เย็นประศึกมันจะมากไปนะ อญญาศูนย์จะทาอะ่าให้มันโง่พอเดี๋ยวนี้พระก็เห่อเหิม อ, อยากจะพรมน้ำมนต์อย่างงั้นอยากจะลงนั่งอาทองอย่างงั้นต้องให้ห้าแสนเลยพระยิางีาจจะศูนย์มีตาเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีพรมน้ำมนต์ที่บ้านใครก็มั่งไปนิมไปพรมที่บ้านที่พาพอนั้งต่ อันนี้ขอฝากไว้เราเนี่ยเป็นชั้นนักที่ตามคำสอนพระเจ้าสร้างคนจนไม่สร้างวัตถุถ้าคนดีมีปัญญาวัตถุจะตามขึ้นมาถ้าเราไปสร้างวัตถุถ้าคนมันเลวเนี่ยช้าเลวเนี่ยวัตถุก็ทิ้งเลยแต่ทาพามีคนใช้ของเขามาดีคนมีไม่รักษาของเขา กับพาพอหาคนรักษาไม่มีสร้างวัดให้มาที่หาพระ ด, ดีไม่ได้ไม่ได้ช่วยรักษาของเขาเลยใครมาถวายก็ทิ้งเลยเหรอกันนี้ชัดเลยเนี่ยได้ตำรับที่วัดดีทั้งนั้นรู้ไปไม่รู้มาก็ได้ตำรับที่วัดเวลามาวัดแล้วเราต้อนรับอย่างดีเวลาไปวัดทันฮะขอยมเข้าห้องน้ำท่านยังไม่ห้ มันบอกมีแต่ห้องน้ําพระมันมีห้องน้ำโยมประวัติศาสตร์ต้องบันทึกมาจนทุกวันนี้นี่กรุงเทพกรุงเทพบริการที่ศูงเราพยายามบริการห้องน้ําให้ยูด้วยให้พระช่วยยูด้วยอย่าให้สกรปกรกที่นี้เรายังสกรปรกอยู่มากยังไม่สะอาดเท่าที่ควรยังสกรปรกอยู่หาคนช่วยกันยากมากนี่พระเจ้าสอนชัดๆเลยสอนเนี่ยน้าอย่างมีจะมีประโยชน์หรือไม่ เราได้ตำรานของเราเป็นวิทยานินพนธ์พื้นในสอนคนรุนทนรู้เหนืองได้รู้ไปไม่รู้มารู้ ก, กินไม่รู้ทำอันนี้ชาติแลนะ้วแต่คนเราไม่สนใจในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยผู้จการมาเนี่ยสอนอย่างการเจอเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวรลายท่านสอนววาที่หน้าตา่างเจ้าของบ้านลูกเกิมาเนี่ยจะเห็นธรรมะทันที หยัดละมาดเห็นยอดจะดีเลยอยัดละมาททาอะไรอยัดละมาดลงมาอ่าลงมาอาลงมาเหลือสองสติสมัมมาชัญญะทําอะไรมีสติทําอะไรมีสมัมมชัญญะลงมาอย่าลืมรัตนตรัยพระพุทธรัตนธรรมารัตนสังขารัตนอย่าลืมบิดามันดาอยู่ที่สามจุดบิดามันดาเป็นแก้วรัตนะครูบาอาจารย์สอนวิชาให้เป็นแก้วรัตน์ อยู่ที่สามจุดเธลอตายนะชัดเจนอ่านลงนะทานศีลภาวนาทานออกหน้าแต่เวลาปฏิบัติจริงๆศีลออกหน้ารับสินก่อนค่อยถวายทานแต่เชิงปฏิบัติการที่มันย้อนยุกทานก่อนเราตั้งใจจะถวายทา น, ทานก็ได้อย่าไปซื้อของตลาดมาเรียกว่าทานเบื้องต้น พอจะถวายพระต้องรับสีให้สะอาดแล้วค่อยถวายทานแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วก็ทานศีนภาวนาทานศีนภาวนาทานก่อนเสมอเท่าไรเราตั้งใจจะถวายทานก็ได้บุญแล้วคือไปซื้อของมาได้แคห้าสิซแต่เรารับสีนล้วถวายก็ได้อีกห้าสิบเปอร์เ็นต์เป็นร้ยปอร์ซขึ้นเนี่ยอันนี้สําคัญมากบางคนไม่รู้เลยนะไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติการเจริญพระกรรมฐานขอให้ผู้ปฏิบัติที่เป็นครูแนะนำอธิบายพัยัดก่กนปฏิบัติแนวทางสถิปะฐานสี่นี่เรียนฉันดดว่าเจริญสถิตฐานสี่มีอะไรบ้างกายเวชนาจิตธรรมอธิบายให้เข้าใจกายเวชนาจิตธรรมเดินเดินนั่งนอน เลยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเอวขาสอตรงนี้ก่อนคู่อย่างนี้คู่อย่างนี้ยังเหยียดและเอดขาเดินเนินนั่งนอนเลียวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเอวขาสามสี่สิบสองเอาตรงนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวฉับสมเราเอาตรงนี้นได้จะทาไงเริ่มสอน เข้าใจแล้วใช่ไหมเดินตรงกลมเดินตรงกลมแล้วแต่คำว่ายืนหน่อห้าครั้งเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเดินให้ดูเดินยังไงแล้วทำไมจะพุโทโธไม่ได้เลยแต่พุโทโธเนี่ยมันมองเห็นลูกน้มไม่ชัดทำไมทาที่ทอง หายใจเข้ารูปใช้ออกทุกมันจะเห็นรูปน้ำได้ชัดเจนกว่าตรงตรมูคได้ไหมก็ได้แต่มองไม่เห็นรูปน้ำอะไรเป็นรูปอะไรเป็นน้ำไม่เห็นมันเห็นแต่ลมหายใจเท่านั้นแต่เนี่ยมันจะมีผิวทองหายใจเข้ามันจะพองหายใจออกมันจะยุบอะไรเป็นรูปในนาำจะชัดมากแต่ปัญหาอยูห่หายใจให้ยาว ให้ยาวให้มากสุดคนให้ใจช่างโมโหใจร้อนพอให้ใจยาวๆแล้วมันจะคล่องแค่วว่องไวรวดเร็วทันใจถูกต้องไปทําต้อที่ไม้ยังบางแห่งที่เราไปเห็นมาในกรุงเทพนั่งกรรมฐานในห้องแอร์จะพบแต่ของปลอมไม่พบของจริงเข้าใจไหมของจริงต้องเอาของจริงมาสิต้องร้อนทนได้หนาวทนได้ไหมนี่ของจริงอยู่ตรงนี้ เวลามาปฏิบัติต้องการจะทราบความจริงและจะเอาของจริงไปให้คนอื่นเขาอย่าของปลอมไปให้คนอื่นเขาไม่ได้ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนั่นหนึ่งหายใจยาวไว้หายใจยาวไว้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแต่ใหม่ๆนี้ทําไม่ได้แต่แล้วจะให้ทําได้เดี๋ยวนี้คงไม่ได้บางคนเจ็ดวันยังหายใจไม่ได้พอง ยังไม่ทันยุบยังไม่ทันหนอยุบยุบยังไม่ทันหนอพองพองเสียสุดเลยหนอไม่ลงก็ยุบเนี่ยยุบยังไม่ทนัหนหนอพองแหละต้องคนละครึ่งพองหนอสามส่วนยุบแล้วหนอสามส่วนได้ผลแน่ยุบส่วนเดียวพองส่วนเดียวหนอสามส่วนเป็นสี่ส่วนได้ผล ทำไม่เลือถ้าตรงนี้ไม่ได้หมดท่าเลยแล้วจะไปสอบอรมได้ยังไงพองยกไม่ได้แล้วก็ไปอธิบายยานที่หกเลยยาที่กรุงเทพอธิบายสามวันอธิบายยาเลยเดินระยะหกเลยจบคอร์ดเลยจบคอร์ดเหรอแต่พองยกไม่ได้เดินหนอห้าครั้งก็ไม่ได้จบคอร์ด ย, ยังไงวันนี้จะขวาย่างหนอใช่พรุ่งนี้เลื่อนยกหนอเหยียบหนอมาเลื่อนยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ ปลาเลียงประโลปะงปลาเลียจบขอดสำเร็จโสดานอาศูยเนี่ยทำอย่างนี้สอนนักเรียนเนี่ยคือสอนแบกนักเรียนเขาไม่รู้เรื่องต้องมีครูมาหนึ่งต่อยี่สิบนี่เราบอกเนี่ยโรงเรียนหนึ่งต่อยี่สิบหมายถึงคผุมเด็กไม่ ไ, มได้แต่ครูอาจารย์ที่จะสอนปฏิบัติ ถ้าไปควบคุมเด็กด้วยตายเลยนะไม่เดี๋ยวพน้นต้องครูโรงเรียนเขาควบคุมมาเด็กนักเรียนยี่สิบครูตอหนึ่งต่อยี่สิบครูหนึ่งคนนักเรียนต้องห้าร้อยนักเรียนต้องร้อยกว่าไม่ได้ค้นแล้วไม่มด้วยเดี๋ยวเดี๋ยพวกนี้มาแหละโรงเรียนพัฒนาลูคคนอำเภอพนัทตอกอนมาแค่สิบคนเดี๋ยวนี้มาสอง้าสิบ อาจารย์เบญมาศน้ำตาร่วงน้ำตาลต า, ลาพอออกไม่เอาด้วยเด็กเสียยาเสพติดทั้งนั้นบัดนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยววันหน้าเธอจะรู้ได้ว่าเด็ดเสพยาเสพติดแก้ยังไงนักเรียนเข้ามาเดี่ยมันจะไปลู่เลยไม่เคยเข้าวัดก็วิ่งเลยอยไปดา่าอย่าไปว่าเด็กก็คือลิงตัวเราก็คือลิงอะไรเป็นลิงที่เราจิตโลภ ลิงลานลิงโลดเพลงลิงโลดเพลงลิงลานเพลงฮันุมานหน้า พ, พับพลางเรามาภาาปฏิบัตินี้ต้องการอะไรลิงขาวลิงดำออกมาท่านรบมนติวิละออกแขกขึน้นมาโขนต้องมีลิงขาวลิงดำหนังตะลุ่งหนังตลุ่งออกแขกโขนมีเคื่ยนหนึ่ง นางแมกกะลาลอกแกล้รามาสงวงคว้างคว้างขวานแล้วถึงจะเรียนเรียงเราเมื่อกีนเข้าใจไหมไอเลียงขาวเลียงดำออกมาหักนหนนาพะเลอสีหมดนี่ออกแคกไอเลียงดำก็คือจิตพวกเราจิต ด, ดำไอเลียงขาวคือปุดพองไม่มีไม่มีอารมณ์เสียแลย้ว เป็นลิงที่ขาวพองแต่ถึงหากว่าขาวยังไงก็ยังรับอาส า, า, าเขาอยู่เป็นยี่ค่าเขาเลอเสียงออกมาว่าไอ้ลิงขาวไอ้ลิงดำ ม, มารลบมามาหักนั้นนาลงตาทำไมไอ้ลีงขาวก็บอกไอ้เลิงดำไอ้ลีงดำกับไอ้ลีงขาวชา ก, กันไปสา ก, กมาเด่างที่กล่าวเนี่ยลิงกับจิตเนี่ย ไม่ใช่เรื่องโกหกเรื่องเลวไหลพระเหลอรีบอกว่าไอ้ลิงเดยกันไอ้ลิงขาวไปไหนไปทิดบุรพาไอ้ลิงดำตกไปช่ไอ้ลิงดำไปทางตะวันตกไอ้ลิงขาวไปชิดบุรพาพระเหลอรรีก็เสด็จเข้ายบรรณาศาลาตี้าเสมอโขนออกเล่นให อย่าพูดอย่างนี้ไม่มีใครรู้เลยแต่ท่านรัสมนีวิระอยู่ภาคใต้ยอยาจจะรู้บ้าหนังตะลุงแล่วอย่างไอลิงขาวก็คืออยฉุดไอลิงดำคือไอใจดำอมหิทธิเยี่ยมโหทถาลุงดูร่าคาสาตัวเป็นตำตายลิงดำก็คือใจเราดำไอลิงขาวคือใอยฉุดแล้วออบางทชัดเจนมากขอฝากเขาด้วยไอลามาสูงข้างขว า, ขวามันแบบแบบเห็นไม นังไม่ขลามันเป็นธรรมะแต่จะไม่ขอกล่าวขอสตอปหยุดไว้มีข้อ น, นี้ก่อนเดี๋ยวจะเดินตยกยกลให้ดูวันนั่งทำยังไงยืนหนอห้าครั้งยังไงกันเนี่ยทำให้มันได้สักหน่อยใช้ไหมท่านรัตนวิริะจะไม่ลิงขาวคือใบสุดถึงจะใบสุดยังไงก็เป็นอิจ่าเขาหนุมานมันลูกพะพายมันไม่ตายแล้วคือจิตอมตะ ไม่มีตายแต่ไอ้ลิงดำเนี่ยแย่มากเพ่าลิงขาวโขนใจดำมามาหิ้เที่ยหมูห่ตาลุนอยู่ได้ข้าสาตัวไปให้จํำตายเลวมากลิงขาวยังค่อยชุก่าไม่ใช่เรียงเียวหลายจะประกานได้เพราฝากไว้อย่างนี้ <c oughs> แล้วการปฏิบัติกรรมาฐานแ็ว่าของยากก็ไมา่ใชา่ง่ายกาานะ็ไม่ใช่ ถ้าเราไม่มีบุญวาสนาทําไม่ได้เลยคนที่มาวัดเนี่ยเอราะฝากไว้โรงเรียนต้องบอกครูอาจารย์เขาบอกอาจารนักเรียนมาได้ยังไงแล้วครูมาสองคนเนี่ยที่นี่เป็นตัวอยา่างครูมาสองคนเด็กมาเป็ น, นล้อทันทันคุมไม่อยู่เลยนะไม่ได้ดผ ล, ลเนี่ยไปเอาวิทยากรหรืคนสั่งสอนไยนะคุมเด็กเองไม่ได้ไม่ได้ดผลตามไม่เลยนะที่นี่เ็ตัวอยา่างถ้าครูเขาคุมนะ ยี่สิบต่อครูหนึ่งยี่สิบคนต่อครู1นคนรับรองสวยเลยนักเรียนร้อยหนึง่งครูต้องห้าคนคมอยู่แน่แล้วก็ครูคนนี้เอาตรงนี้ครูคนนี้เอาตรงนี้ไปห้องน้ามั่งท่าต้องเรียบร้อยคมไม่ใช่อยู่ทั่วคราวรับวิทยากรก็เบาใจในการสอนแล้วครูนั่งควบคุมม่ได้ เด็กชั้นเอ็ดถ้าเด็กเขาไม่รู้เรื่องแต่หากว่าเราควบคุมนี้มาอยู่นะรับรองวิทยากรตายแน่นอนมาเดี๋ผลบอกครูเขาหน่อยไนะด้ไหมหรือเขาจะมาอบลมบอกครูให้เข้าใจบอกว่าคุณมาเนี่ยครูอาจารย์นี้นะส่วนมากครูอาจารย์จะไม่สนใจจะนั่งห่างเด็กยัดปล่อยให้เด็กลืมโลกทศนาการ แล้วครูอยู่ข้างนอกวัด น, นี้เป็นตัวอย่างถ้าครูควบคุมไม่ได้แล้วสอนปฏิบัติตามวิทยากรรับรองเด็กจะเข้าใจวั น, วนที่สองขอฝากที่สูงไม่ได้วยนะเอาไปตัวอย่างเลยสามวันไม่ได้ผลสามวันไม่ได้เรื่องเลยพอเด็กจะรู้เรื่องมันก็กลับแล้วกลับแล้วมันก็เลิกแล้วครูไม่ติดต่อให้ไม่ได้เรื่องเลย ยังตามต้องห้าวันหีือเจ็ดวันอย่างตามนี้นี่พรุ่งนี้มาแล้วต้องห้าวันสามวันไม่ได้ผลขอฝากวิชาอ่อนไปด้วยไม่ได้เรื่องเลยตดยังไม่ทันเหม็นเนี่ยกลับเลยยังไม่ทันหายเหม็นแล้วไม่ยังไม่ยังไม่ทันหายเมื่อกลับแล้ยไม่ได้ผลสามวันขอฝากไปเลยเรียนหนังสือสามวันได้ไร ตัวโกยังจำไม่ได้โกยังจำไม่ได้นี่เคาจะบอกบอกว่าไม่ต้องรอที่โบสถ์ยังไม่เสร็จใครไปบอกนายใช่ไมมีมีมคมอยู่ไหมเนี่ยบอกพระครูปัญญาไม่ต้องรอทําวัดไปก่อนเพราะเราไม่เคยขาดเราทาวัดจะไม่เคยขาดมาวาดฝนตกก็ต้องรอเราวันนี้เราเดี๋ยวยังไม่จบรายการเดี๋ยวพระจะมารออยู่เชื่อไหมล่ะเนี่ยมาเนี่ยจะพูดให้รู้เรื่องหน่อย ประกาศไปเลยนที่ศูนย์ถ้าสามวันไม่หลับถ้ารับก็ไม่เป็นไรแต่ไม่รู้เรื่องจะไม่ได้อะไรเลยนะแล้วการแผ่เมตตาอุทิศหลวให้ว่าเดี๋ยวตนเองอย่าไปนำทำแบบว่นยาวให้เขาว่าได้แผ่สงฆ์ศรกับอุทิศสงขสศรนต้องว่าเดียวตนเอง ไม่นาส ก, กาเลนะพูดทางเอาพิพูชยางมิอยากใช้ม้าแต่เห็นที่สูนี่ใช้ม้ากันหลายวันอยากใช้มะสมเด็จพระชังราศท่านบอกต้องใช้มิ๋วของไทยของมันอย่าลงมาว่าให้มันเหมือนกับสนนั้นไม่ต้องใช้ม้าใช้มิ๋วที่ังลาศเลยกับสมเด็จพระปุตรโกษาจารวัดสัมะยาท่านมาที่วัดหล่ะตอนนี้ท่านอมอนนาพาไปแทั้งสององค์ตายไปแล้ว ท่านบอกว่าอย่าใช้มะใช้มิห้ใช้มิอย่าไปใช้มะเนี่ยทีวัดเราเนี่ยไป็นตัวอย่างเลยถามโยมแพนโทวิงดูไอ้สองวันสามวันมันได้ประโยชน์ถ้าเด็กมาตั้งแต่ห้าวันเจ็ดวันได้ผลเลยเรียบร้อยไปเลยนะมาทีแรกมันก็เหมือนลิงอย่าไปว่าเขาเลยเขาไม่รู้พอเขารู้แนละ้วยเขาจะซึ้งใจนะ เข้าถึงเมาาื่อไรเขาจะทราบซึ้งใจเองหนึ่งเข้าถึงจะซึ้งใจสามแผงสี่มิส จ, จกักรห้ากตันยูต่อหน้าที่ชัดเจนนชัดเจนแล้วนะทำํำไมงั้นไม่ได้เรื่องเลยนะเราปฏิบัติกระจิมเจไปไม่ใช่บูชีพรามชีพราม์แ ล, ลิกคู่กันหน่อยได้ไหมอาตมาไม่เป็นวิเยาะอ่อชีพรามณ์เนี่ยงอนไปวัดวั ด, ว, ดวัดหนึ่งอย่า ก, กล่าวชื่อนี่มั น, นิโมเล่เราไม่รับ มีโมต์ระบ่ายโมงคึ่งเราไปอุตสาห์ไปบ่ายสองโมงยังไม่ตื่นเลยนอนกันไปแถวเต็มสลาหมดพอเราไปหน้าโยมลุกเถอะวิทยากรมาแลวคนหนึ่งบอกมาแล้วก็นางคอยไปก่อนออให้วิทยากรมานางคอยนะเราเนี่ยเวลามีค่าเวลามีประโยชน์เราเช็้ลามาให้ต่อไปไม่มามาหุนอยู่นาวอา ให้วิทยกรมาคอยแล้วยงก็นอนกว่าจะไปอาบน้ำกว่าจะมาอีกชั่วโมงัหมพอแทยจบหลโอ้แทยดีเหลือเกินหลวงพ่อแทยดีแทยดีมากแทยเรื่องลรยมากมจำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยการปฏิบัติของนักเรียนเนี่ยกับผู้ใหญ่ต่างกันไม่เหมือนกัน การสอนกับพุทธการก็อย่างนี้ก็ต่างกันมากไม่เหมือนกันต้องหลอล้อมศรัทธาก่อนไอเด็กเนี่ยถ้ามันมีศรัทธานะตั้งใจได้ผล้วยนี่เลยเด็กมันไม่มีกังวลเด็กไม่มีกังวลอะไรเลยนะเด็กไม่มีกังวลนะธรรมะบอกว่าพวกเราไปหลายครั้งแล้วจิตไม่สงบมีแปดประการจิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่กี่ประการเกิดปรการ บอกไปแล้วนะแล้วเด็กมาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างครูอาจารย์เช่นผ อ, อตามโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเรืงนี้ผ อ, อว่าไงรูออ้ไหมผอโรงเรียนกรมช้ามันนี่จะพะพ่ากลางนี่บอกสวดมนต์ไม่เกิดประโยชน์สวดมนต์ไม่ได้ประโยชน์นั่งสมาธิก็ไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาเรียนนี่ผอกลมช้ามัน ว่ายซอปจ่อแชรเอาอีกแกให้เด็กประเมินผลนี่แบบฟอร์อมอยู่ที่นี่นักสมาธิดีไหมไม่ดีขีดสมดีไหมไม่ดีขีดเอาเด็กมาเป็นใหญ่ซอปจ่อซอปแชรที่ค้นแในมีซอปแชร์ไหมซอปแชร์มีเนี่ยที่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอะไร น, นะ มีโรงเรียนอะไรอ่ะนะนะมัธยมหรือประถมประถมเหรอนั่ น, น เ, เนี่ยสพบแชสพบแชสวดมนต์ไม่เอาอาตมาหมดศรัทธาไปวันนั้นอาจารย์ที่อุทัยมา ก็เป็นคลีดเลยบรพ่อครับสี่หลวงพ่อให้ตังไปสองสามแสนไปทำห้องจริยะอูพรมให้ด็กสวดมนต์พอมาใหม่เขาไม่ให้สวดบอกเลิกสวดมนตมนี่มันมันเชยโอ้โหเราลมจับเลยเสียแต่ตังให้ไปให้ไปอยางสามแสนลูกนี้ให้แม่จัางแม่รติกรซะดีกว่า วันนั้นให้ไปนั้นเนี่ยบูชาพากันมาเอาพอแอลอ่อพอแอมาเลยไม่ให้ก็จะเสียนหน้าจาแม่ลัตติกกรเพราว่าแม่จาแม่ลัตติกกรเป็นวิทยากรคุกเราเพื่อไม่เสียนหน้าจางแม่เลยให้ไปซะเยอะเลยพอไป เ, อเลยเลยั้งปีทังนั้นเสร็จหยัง โอ้โหยังไม่ทำไปเยอะคิดจะไม่ทำใช่ไหมเรารู้แล้วคิดไม่ทำาห้แรงเกิดขึ้นเหรอเะ โอ้โหแล้วนึกว่าเสร็จแล้วจะเอายิวไปช่วยจลอลงเสร็จยังไม่เสร็จจะไม่เป็นไรแล้วอันนี้ผมมันตกนะขอฝากแนวความคิดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์สนใจให้เด็กสวนมน์วนไว้เรื่อยๆกับปฏิบัติวันละครั้งเดียว รับรองเด็กไปโลดเลยแล้วดีด้วยอย่างเช่นมงเรียาวิทย์จะเข้ามาที่อีกครั้งในห้าร้อยไม่ต้องบอกครูเลยเรียบร้อยหมดสอบทำภาษาได้หมดทั้งสามพันกว่าคนทำสายเอกทั้งนั้นชาวิทย์ผู้จัดการสุพรรณบุรีนเราช่วยสุพรรณบุรีเด็กนักเรียนดีหมดเลยร้อนใจถึงในพะนธท่านบรรหารที่นภาอาชาวันเรานี่ได้ช่วยสุพรรณบุรีเยอะ เลยก็เด็กของเราเป็นนักข่าวที่เคยไปที่ศูนย์ที่หมอไปด้วยที่่ันดอกเตอร์ประพาไปด้วยเหมือนนั้นเด็กวันวิชาหลวงพ่อจะสร้างวัดจิงดาทั้งวัดไฟไหม้หมดทั้งวัดนี่ลงมือแล้วจะให้เสร็จภายในเข้าประชามันก็เกิดไปบอกาการบัญหารเถหลวงพ่อท่าน ะสร้างวัดจะช่วย่ันได้ก็ได้ไม่ช่วยก็เล้่อนไเราไม่ได้ไปให้ไปบอกเลยตกลงเป็นประธานมาทอดพระปาเอางเงินไปช่วยหลวงพ่อ ว, พวันที่วัจินดากับรัฐมนตรีสมศกอีกคนไม่ว่าจะมาร เ, เราก็ไม่รู้เราก็มาเดี๋ยวไปคอทิอง้งเด็กไม่บอก แล้วก็ท่านปัญหานั่ก็รู้ว่าเราเคยช่วยสุพรรณบุรีโรงเรียนชาววิพณานิจการยากอยู่วงปวงสาของเขาเพราะอเศรษฐกิจกลคุ้อาศัยเลยก็มาได้งานมีเยอะใหญอยู่บ้างเราไปช่วยสุพรรณบุรีเยอะแล้วก็พระมาช่วยสอนธรรมษาให้นักเรียนโรงเรียนนี้ทั้งหมดสอบธรรมสาได้ทั้งหมดทําตรีโทเอกสอบได้หมดทํามัศึกษาก็มาปฏิบททัติธรรมก็ง่ายขึ้น แล้วโรงเรียนเขาทำไงรู้ไ้มสนามไม่พอเข้าแถวสามพันแปดโรงเรียนนี้เลยก็หอไปชุมเนี่ยสวดมนต์เลยทำวัดเลยทำวัดแล้วก็สวดพังมะกาแผ่เมตตาที่ถึงกุศลแล้วก็ยืนร้องเพลงประเทศไทยชักธงเลยแล้วก็คอยเลื่อนเข้าไปเข้าชั้นเลย ทำอย่างนี้เป็นประจำเด็กดีหมดเลยเรียบร้อยหมดมีวินัยภายในไมมีวินัยภายนอกครบวงจรได้ผลอย่างนี้ชัด <c oughs> เจนเนี่ยมีโรงเรียนเราเาตัวอย่างเยอะให้สุดมนก่อนแล้วเวลาโรงเรียนเลิกนะรัฒนาศีลแัฒนาธรรมกันแต่และชั้นแล้วก็สวดมนเล็กน้อยแล้วก็จากไปไม่ใช่ไปชิ้ฉุเด็กดีหมดเลย โดยอัตโนมัติเขอฝากไปทำอยู่ตามโรงเรียนที่จะผลนเกตจะได้ผลไหมเพราะที่นี่ทำได้ผลสวดมนมตน์พาหมณการเด็กดีหมดเลยแต่เขาไม่เอาก็ไม่หยุดไม่ชาไปช่วยยังไงนี่แหละพวกครูอาจารย์เนี่ยถึงว่าเผื่อลองไปคิดดูนะแต่ที่นี่เราก็เริ่มแนะ่ะแต่ไอ้สามวันไม่รู้จะทำยังไงเขาทำไม่ได้ เลือเป็นห้าเจ็ดเขาก็ไม่เอาแต่ได้ผลน้อยมากร้อยละหนึ่งโคนแต่ถ้าห้าวันขึ้นไปถึงเจ็ดวันต้องได้ผลเนี่ยนี่ผุงนี้เข้าแหละห้าวันเลสี่คืนห้าวันอย่างน้อยอย่างค่อนชั่วกว่าเจ็ดวันรับรองเด็กได้ผลแน่มาแค่คืนหนึง่งสองคืนแล้วไปแล้วยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรกลับเนี่ยไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้แน่ออกมาอย่างนี้ศาสตราจารย์ิี่ดได้ก็ลองปรึกษาโรงเรียนที่ถ้าจะมาเนะ่สักข้าวันไม่ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยบางคนไม่เคยเข้าวัดไม่เคยรู้ไปทําไมมันเสียเร็วเวลาเรียนแต่เสียเพื่อได้จะไม่ดีเหรอแล้วเด็กจะไม่ทิ้การเสร็จกุาไม่ดีเหรอเสียเพื่อได้ประโยชน์ มันเสียเวลาเรียนแค่ห้าหกวันเสียอะไรมากมายเวลาโรงเรียนปิดต้องเยอะแยะทำไมไม่เสียเลยเสียเพื่อได้ประโยชน์ก่อนักเรียนเขาจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคุณครูบาอาจารย์เป็นยังไงถ้าเขาถึงทรมาแล้วจะน้อมนึกอย่างนี้แต่เขาจะไม่ผันแผลกลายเป็นคนเสียคงเขาจะไกลายเป็นคนดีต่อไปช่วยมั่งไม่ได้อยู่ถ้าเดกเนี่ยเดินจงกลมเขา จะมีระเบียบวินัยไปแต่เขาไม่เดินเนี่ยจะไม่มีระเบียบวินัยเลยเพราจะเดินวิ่งอย่างเนี้ยทําให้เขาช้าในการวิ่งช้าเพราช้าจะได้พลังสงเล่นงามเด็กจะได้หย่อนในการสมเขาจะได้ดีในการสร้างความดีในชุดเขาจะเดินมีระเบียบมีสติสัมปชัญญะเหมือนทหารเคยฝึกจบหลักสูตรแล้ว เราจะรู้ว่าใครเป็นทหารดูเดินก็รู้เดินผิดปกติคนธรรมดามันจะเดินขวาซ้ายได้จังหวะคนที่ไม่เคยเป็นทหารเนี่ยเดินไม่มีจังหวะแล้วเดินไม่มีระเบียบแล้วคนที่จเจริญกรรมฐานเดินมีระเบียบเรียบร้อยขวาย่างหนอซ้ายอย่างหนอติดเป็นอาชินเนี่ยจะเดินมีศิ่มีธรรมติดตัวไปด้วยจะมีมารยาทไปลาไปลามาไหว้องน้อมทําตนชัดเจน ควบคุมตรงนี้ให้ได้จึงต้องเดินจงกรมก่อนหน้าควบคุมในการเดินและการยืนการนัางการนอนเขาจะดีขึ้น ท, ทันทีเป็นการควบคุมมารยาทไปด้วยถ้าครูโรงเรียนเอาด้วยนะยี่สิบคนต่อนคนควบคุมดูแลของครูอาจารย์ที่มาจากโรงเรียนนั้นร้อยคนเนี่ยจะห้าคนไม่ได้เลย ควคุดูแลและจะเบาใจวิทยากรเยอะแล้วก็ครูที่มาด้วยต้องปฏิบัติกับนักเรียนด้วยอย่าไปนั่งครูยันข้างนอกแต่นักเรียนไปลิงไปแล้วก็ครูก็เป็นข้างปางชนีหาความดีบอไม่ได้ต่อแม่เห็นด้วยไหมครูไล่วิญญาณเนี่ยโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนไหนมาจ้าไม่ได้นักเรียนข้ามาเป็นแถวครูนั่งถือเสาหนี นินทากันนี่ครูสาวสาวตัวสำคัญนินทาครูกแก่เสื้อเก่ามีแม่คุแก่มีครูสาวไหมไม่มีมูทนาด้วยนึกว่ามีชอบนินทาครูกแก่เสื้อเก่าถ้านั่งแต่แต่ห้าโคินไปปุบปิ๊ปปุบปิ๊ปไม่มีเรื่องอะไรนินทาพอะออกสการที่สอง ชุดๆิบๆๆๆๆๆๆๆิๆๆๆดๆรๆๆๆๆๆๆอๆๆรๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆุๆๆๆๆๆๆๆเๆื่ๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โรงเรียนไหนมีครูสาวเยอะนั่งสุดสิบซิ บ, บแล้วก็ค้อนาปค้อนมานินทาพออ่อี่โรงเรียนมีสาวไหมไม่มีมอมูชนาด้วยไม่มีนินทาไม่มีครูสาวเลยดีมากท้ามียุ่งมีแต่ครูย่างเงย่งไม่ยุ่ง ไม่ยุ่งแต่ตรงนางตรงเท่งถูกไหมคะเนี่ยถ้าทำได้นะโรงเรียนจะมาใหม่เขาฝากท่านรครูเนี่ยบอกเขาที่บอกจะเอาประโยชน์จะเอาที่มีคุณภาพหรือจะไม่มีคุณภาพจะออยังไง อาคุณภาพเลยเอาห้าวันทามาออกไปแล้วก็เหมือนลิงข้างปาชนีเหมือนเดิมก็สามวันแต่ก็จํำเป็นดีกว่าไม่มาเลยก็สามวันก็ต้องเอานะแต่ต้องเอาประโยชน์หรือคุณค่าของชีวิตของนักเรียนต้องห้าวันที่ปบบลองไปคิดตีความมันสิท่านตอเ์เห็นด้วยไหมพวกครูบาอาจารย์อย่าไปจริงเ่าอย่าไปบอกว่า มากไปเทียวเวลาเรียนแล้วเวลาไปเที่ยวทัศนศึกษาพาเด็กนักเรียนไปเที่ยวเนี่ยมากหรือน้อยมกักรน้อยเคยพาไปนเนี่ยที่นี่เลยเ่ะหลายปีมาเนี่ยครูสังโคมพาเด็กมาอีกสองร้อยแล้วไปไประชุมใหม่พายกมือกันแพ้เสียมเลย เขาจะไปเชียงใหมไ่ไมเขาจะไปเที่ยวกันบอกไปวัดมันได้ประโยชน์อะไรข้าวัดมีจังโง่เลยก็ครูอันนั้นก็มาร้องไห้บอกไม่เป็นไายี่สิบคนก็มายี่สิบก็สอนนี่ไหล่พอดีลูกพอออมีผู้ชายสองคนไปรถชนะเชียงใหม่จอดผิดทางแล้วก็เรือวิ่งขาบถึงรถทนตาสองคนเลย ลูกชายตายหมดสองคนพออโรงเรียนนะใจ แ, แล้วก็ไม่บอกชื่อโรงเนียนเขาไม่รู้เลยปู่เขาเรียนหนังสือว่าภวันที่เป็นผู้ผักษาล้วรู้จักปู่เขาจะมาว่าวัดนม่ปู่เขาก็โรงเรียนโรงเรียนมัดเป็นที่ผู้ไปผักษาหัวหน้าสารตายไปแล้วแต่เขาเนี่ยหลานเนี่ยก็เป็นพออโรงเรียนแต่ไม่ใช่โรงเรียนลูกตายหมดไม่มีลูกอีกแล้ว มีลูกแค่ผู้ชายก็สองคนรถชนตายที่เชียงใหม่ถ้าลูกมานี่อาจจะไม่ตายก็ได้นะนี่มันเป็นอย่างนี้ชัดเจนนะแต่จะเอาอะไรไมาเป็นหลักเพราะนั้นระสูงเราเนี่ยขอให้เอาคุณภาพมัน